พุณเจ้าเคยตรัสว่าคนผ่านปัญญาสามนะย่อมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูพระพุทธพาสนนะีสั้นแต่ว่าน่าพิจารณานะแลวก็เตือนใจได้ดีด้วยรธรรมดาคนเราก็ มัจะคิดว่าตัวเองเนี่ยรักตัวฉันรักตัวเองนะบางคนก็ถึงกับพูดว่ารักตัวเองยิ่งกว่าอะไรอื่นอาจจะยกเว้นพ่อแม่หรือบางคนอาจจะในส่วนหรือก็รักตัวเองยิ่งกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ากนไนดะ้ คนที่พูดเช่นนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำกับตัวเองเหมือนเป็นสตรูทำกับตัวเองเหมือนกัเป็นสต ร, ตสตรูคือทำ้ายตัวเองอทำ้ายตัวเองนี่มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาหัวโขกพื้นเอามีดมาทิ่มแทงตัวเอง หรือว่าทรมานตนอย่างพวกฤาษีชีภัยนะนอนบนหนามเตียงที่มีะตะปูอะไรเงี้อาการทำ้ายตัวเองที่มากไปกันนั้นนะก็อย่างเช่นการผิดศีล การไม่รักษาศีลเนี่ยหรือพ่ดมาคือการทำบาปทำชั่วผิดศีนี่ไม่ใช่แค่ว่าข้อ5กินเหล้าเมาสุราอันนี้มันชัดอยู่แล้ว เ, เป็นการทำร้ายตัวเองการกินเหล้าการสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ย คนส่วนใหญ่ที่ทำนี่เรียกว่าร้อยทั้งร้อยก็คิดว่าดีแต่ว่ามันก็คือการทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวเองแบบผ่อนสงเพราะว่ากินเข้าไปมากๆเสพไปมากๆ ม, ม, ม, ม, มันก็สุขภาพก็ยแย่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าพอเมาไม้แล้ว มันก็ไปต่อยตีผู้อื่นถูกเขาทำร้ายกลับมาหรือว่าขับรถด้วยอาการมาเมามายเสร็ <S <S จแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถชนรถควม่มพิการต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเอง อันนี้มันก็เห็นชัดเลยนะเห็นชัดเลยว่าเจ็บป่วยถึงตายหรือว่าพิกลพิการเพราะการกระทาของตัวเองแต่ถึงแม้จะไม่ผิดสีข้อห้าไปผิดสีเข้ออื่นมันก็นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองเหมือนกัน เพราะว่าเมื่อไปผิดศีลแล้วก็ทำให้ชีวิตไม่เจริญทำให้ชักชวนให้คนอื่นมาเล่นงานต่อต้แก้แค้นเช่นผิดศีลข้อ3มนี่ก็อาจจะถึงตายได้คนที่เขาเจ็บช้อนน้งใจเขาก็มายิงเอาแล้วก็มนข่าวบ่อยๆนี่ก็เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะคึงไม่ว่าคนที่ยิงนี่เป็นคนอื่นก็ตามนะแต่ว่า มันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทาของตัวเองอันนี้ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้านะผลหรือวิบากที่จะเกิดขึ้นกับชาติหน้าเรียกว่าเจอสองเดึงเลยกระดก็ว่าไดนะ้ทำชั่วเนี่ยไปฆ่าคนก็ติดคุกชาตินี้ติดคุก บางทีโดนประหารชีวิตชาติหน้าโดนอีกนะหรือว่าจะตกนรกนะอันนี้มันเป็นการทำ้ายตัวเองที่ที่เห็นได้ชัดอาจจะไม่ชัดเท่าการเอามีดแทงตัวเองหรือว่า เอาหัวโกพื้นเพราะความโกรธหรือว่าทรมานตนอย่างดูสีชีพัยคือมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันก็ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นใช้เวลานานกว่าจะเกิดผลร้ายตามมาผิดศีนี่ทีแรกก็เหมือนกับว่าประสบความสำเร็จนะไปลักขโมยก็โอ้รวย าสัตว์ก็ไปขายได้เงินมาคนก็นึกว่าดีนะแต่ว่าพอเวลาเนิ่นานานผ่านไปเอาผลร้ายมันมันตามมาถึงเช่นถูกจับไปคุกหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ที่จริงก่อนนั้นๆันก็รู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่แล้วดู่ร้อนนอนทุก เราความรู้สึกผิดกลัวถูกจับได้ในการอยู่ร้อนนอนทุกข์นี่มันก็เป็นเป็นผลจากการทำร้ายตัวเองอีกแบบหนึ่งอั น, นี้ถืไหมบางคนเนี่ยีะบอกว่าผิดฉันรักษาศีลได้ครบนะศีลห้ารักษาศีลได้แต่ก็อาจจะทำร้ายตัวเองได้เหมือนกันนะ ถ้าไม่รักษาใจาคนจำนวนไม่น้อยรักษาศีลแต่ไม่รักษาใจรักษาไม่รักษาใจก็ปล่อยให้ความหลงครอบงําความหลงก็มีหลายแบบนะเหมือนกับความความไม่ความไม่รู้ตัว กินเล้าก็ทำให้เมาก็ไม่รู้ตัวได้แต่บางทีมันไม่ใช่แค่เหล้าที่ทําให้ไม่รู้ตัวความโกรธความเศร้าความเกลียดมันก็ทําให้ไม่รู้ตัวได้นี่ก็พวาะนี้ก็ทําให้เป็นความหลงชนิดหนึ่งนะคนเรานี่พอพอหลงหรือไม่รู้สึกตัวแล้วนี่ มันก็เปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานทั้งร่างกายและจิตใจเช่นเวลาปล่อยให้ความกลัวเข้ามาคร่องงำใจนี่ก็ทำให้สุขภาพย่นแย่ความดันขึ้นนะเป็นโรคหัวใจหรือบางทีก็ลานไปถึงสมองนะ เส้เลือดในสมองแตกเพราะความโกรธไอ้พวกนี้ก็เป็นโรคที่เรารู้จักกันดีว่ามันเกิดจากอารมณ์คนที่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความเศร้าเข้ามาเล่นงานนี้มันคือการทํร้ายตัวเองอีกแบบหนึ่งแล้วที่อารมณ์แบบนี้เข้ามาเล่นงานจิตใจได้เพราะว่าไม่รู้จักรักษาใจ นะไม่รู้จัก่าสาัใจนี่ก็ก็ดูก็ยังเบาอยู่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นใจเป็นใจของเราเองนะที่มันไปหาเรื่องมาเล่นงานตัวเองหรือซ้ำเติมตัวเองอย่างเช่น ของหายโทรศัพท์หายถูกโกงผ่านไปเป็นเป็นเดือนหรือบางทีเป็นปีแล้วก็ยังคิดถึงมันพอคิดถึงแล้วไงก็เกิดความอะไรอาวอนเกิดความเสียใจเกิดความ แทนเคืองถ้า ม, มีเยอะนะ้าที่ที่เป็นอย่างนี้หรือบางคนเคยตัดสินใจผิดพลาดบางอย่างที่ดินก็เอาไปขายแทนที่จะเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของลูกตอนนั้นก็คิดว่า ขายดีกว่าได้เงินมาให้ทางบ้านได้ใช้จะขายที่ไปแล้วเมียขายที่ไปแล้วผัวก็เอาเงินไปเล่นการพนันจนหมดไม่เหลือให้กับลูกๆ ก, ก็เสียดายว่าเราตัดสินใจผิด ถ้าเก็บที่เอาไว้ป่านนี้มัน็จะเป็นมรดกให้กับลูกๆที่ดินหลากคำก็ขึ้นไปเรื่อยๆผ่านไปสิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วนะก็ยังเสียใจนึกถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้นแล้วก็รู้สึกโอโหตัวเองผิดหวังเสียใจกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มี ถ้ามีไนดะ้มีบางคนเนี่ยซึมเศร้าเพราะว่าความการหมกมุ่นคุณคิดแต่ความผิดพลาดในอดีตอันนี้เรียกว่าทําร้ายตัวเองนะเพราะว่าเรื่องมก็ผ่านไปนานแล้วแต่ใจไม่ยอมให้มันผ่านไปด้วยใจก็ไปหวนคิดคิดให้การคิดแต่และครั้งก็เหมือนกับการเอามีดกรีดใจตัวเอง เอามีกลีดใจตัวเองมันก็เกิดแผลแผลมันหมักหมมเลื้อรังสุดท้ายก็ทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปทีนี้แหละเปื่อยก็กลายเป็นภาระของครอบครัวก็รู้สึกผิดอีกนะว่าทำไมลูกหลานต้องมาดูแล อันนี้เรียกว่าเป็นการทำร้ายตัวเองนะที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายแม้จะเป็นพวกที่เรียกว่าเป็นคนดีมีศีลก็ตามอันนี้ก็จะเป็นคนผ่านปัญญาสามเหมือนกันคนผ่านปัญญาสามไม่ได้แปลว่าคนชั่วอย่างเดียวนะไม่ได้แปลว่าคนเลวเอย่างเดียวนะคนดีๆแต่ไม่ฉลาดในการรักษาใจ หรือว่าปล่อยให้ปล่อยให้จิตใจนี่มันทํร้ายตัวเองซ้าเติมตัวเองรักษาใจอันนี้ก็จะช่วยให้ไม่ทํารายตัวเองได้แต่บางครั้งมันนอกจากรักษาต้องหักห้ามเลยหักห้ามใจเพราะใจมันคิดแต่จะ ไปหาเรื่องมาซ้ำเติมตัวเองใครก็พูด <c oughs> ไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเราเหตการผ่านไปหลายปีก็ยังเก็บเอามาคิดมีคนเจอหลายคนเนี่ยก็ เวลาเจอใครเจอลูกเจอหลานเจอลูกเพื่อนก็ยังพูดถึงสามีที่ทรยศหักหลังนะมีเมียน้อยไปแล้วก็โกงเงินโกงทรัพย์สมบัติไปให้เมียน้อยแทนก็ยังพูดอยู่นั่นแหละพูดพูดซ้ำไปซ้ำมาหรือพูดแล้วพูดเล่า ลูกก็ฟังเป็นสิบเป็นร้อยเที่ยวหลานก็ฟังก็พอกันลูกเพื่อนอ่าเพื่อนของลูกเพื่อนของหลานก็เหมือนกันถ้าคนพูดก็ไม่ได้มีความสุขนะมันก็เหมือนกับิแทงติดใจตัวเอง เป็นใจที่ทำร้ายใจแล้วก็เลยหาความสุขในชีวิตไม่ได้ทั้งที่มาถึงบัานปลาชีวิตแล้วอันนี้ก็คือการทำร้ายตัวเองทำกับตัวมือนเป็นศัตรูแต่แล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับ กลายเป็นโรคนอนไม่หลับต้องกินยาต้องซึ่งยาอันนี้คือสิ่งที่ผู้คนเป็นกันเยอะนะแล้วก็ไม่ได้ฉเฉลียวใจวันเนี่ยคือการทำร้ายตัวเองไม่ได้ฉเฉลียวใจวันเนี่ยเป็นลักษณะของคนผ่านปัญญาศาสอย่าง ไม่ก็บางทีก็ไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องยังไม่เกิดเลยกับปรุงแต่งไปไปในทางเลวร้ายไประแวงว่าผัวมีเมยน้อยหรือไประแวงว่าเมียนะไม่ซื่อสัตย์ปรุงแต่งว่าตัวเองเป็นโรคร้ายหรือเปล่า หมอนัดให้ไปฟังผลในอีกสามวันข้างหน้าก็คิดเป็นตุเป็นตาว่าเป็นมะเร็งไหมถ้าคิดเพื่อทำใจมันก็ดีแต่พอคิดแล้วเนี่ยมันทำใจไม่ได้มันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตกนรกกลุ้มหอกกลุ้มใจฉนังที่ยังไม่รู้ผลเลยแต่ว่าตีตนไปก่อนไข้แล้วเนี่ย พอไปฟังผลหมอว่าไม่เป็นอะไรนะค่าเลือดต่างๆถูกไม่ผิดปกติเอาก็มาเนื้อ ว, วันนี้เราโง่ไปได้แท้ตกนลกไปสามวันนะใครทาให้ตกนลกก็ตัวเองนั่นแหละใจที่มันคิดฟุง้งปรุงแต่งสร้างภาพไปนในทางลบแล้วก็หลงเชื่อภาพนั้นเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริง นี่คือการทำ้ายตัวเองอย่างหนึ่งแล้วคนก็เป็นอย่างนี้เยอะด้วยไอ้โรคเครียดโรคซึมเศร้าก็เกิดจากเหตุการณ์เกิดจากการเกิดจากพฤติกรรมทํานองนี้เหมือนกันนะคนที่มองอะไรในแง่ลบแง่ร้ายนี่ก็ทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย๋บบนี้ก็เป็นกันเยอะ หรือคนที่ผิดหวังแล้วก็ทำใจไม่ได้คุ้นคิดจนกระทั่าบางทีไม่ใช่กินไม่ได้ไม่ใช่แค่กินไม่ได้หรืไม่ละค่าตัวตายก็มีอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะเป็นการทำร้ายตัวเองแต่ถึงแม้ไม่ไม่ไม่ค่าตัวตายเราก็ทำร้ายตัวเองกันอยู่ทุกวีทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าไม่รักษาใจหรือว่าปล่อยให้ใจนี่มันเป็น อันตรพาณใจที่เป็นอันตราณก็คือมือนใจที่มันไปหาเรื่องคิดต่างๆชนิดที่เป็นการทำร้ายตัวเองผู้อยากเคยกลัา น, นะว่าศัตรูทำร้ายกันเนี่ยก็ไม่สร้างความผิดหายได้มากับจิตที่วางเอาไว้ผิดนะ หรือว่าจิตที่ฝึกฝนไว้ผิดในจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนนะไม่ได้กล่อมกลาเนี่ยมันก็จะสร้างความเดือดร้อนสร้างความผิดหายสร้างความทุกข์นะให้กับตัวเองอันนี้เราก็เรียกง่ายๆว่าเป็นการทำร้ายตัวเองเป็นการซ้าเติมตัวเอง ในความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยก็เกิดเพราะเหตุ น, นี้แหละเกิดเพราะจิตที่วางเอาไว้ผิดหรือพูดง่ายๆคือเกิดจากการทำร้ายตัวเองแต่คนก็มองไม่เห็นตรงนี้นะไปโทษคนนั้นคนนี้ไปโทษคนที่ด่าว่าเราไปโทษคนที่โกงเงินเรา หรือว่าไปโทษคนที่ทำาแไรไม่ถูกใจยังมีคนหนึ่งก็มาถามว่าท่านยังไงถึงจะให้คนที่อยู่ข้างๆเรารอบๆข้างเราเขาเลิกพูดซ้ำซากเธอรู้สึกวเป็นทุกข์มากนะกับคนที่อยู่ข้างๆไม่นวดเป็น <c oughs> สามีหรือเพื่อนร่วม ง, งานที่พูดซ้า ซ้างอยู่นั่นแหละก็เลยตอบไปว่าเนี่ยอย่าไปสนใจเลยว่าใครเนี่ยเนยเขาพูดซ้ำพูดซร้างหรือเปล่าสนใจตัวนดีกว่าว่าคุณคิดซ้ำซาๆในเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่า คนที่มีปัญหาทานองเนี่ยว่าคนรอบข้างชอบพูดซ้ําๆเนี่ยที่จริงเขาจะไม่เป็นปัญหาเลยนะว่าถ้าว่าตัวเองเนี่ยไม่เก็บเอามาคิดไม่เอาเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมาคุ้นคิดซ้ําไปซ้ํามาอคนเราทุกเข้อเหตุ น, นี้มากกว่าเพราะว่าคนอื่นเขาพูดซ้ำซาก แต่เป็นตัวเราต่างหากที่มันคิดซ้ำซากอยู่นั่นแหละอยู่เรื่องเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาจนเครียดจนกินไม่ได้มาไม่หลับเราสังเกตดูนะเวลาเราทําเวลาใครว่าเราตาหนิเราแกล้งเราหรือว่าเวลาทําอะไรผิดพลาดล้วก็จะคิดซ้ําคิดซ้ายนั่นแหละปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เนี่ย อันนี้สังหากคือปัญหาใครก็จะพูดซ้าไปซ้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำให้เราเดือดร้อนเลยถ้าใจเราไม่ไปเก็บเอามาคิดคนเรามักจะไปคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากคนอื่นแต่ที่จริงมันเกิดจากใจของเรา น, นใจที่วางไว้ผิด ใจที่ไม่ไรับการฝึกฝนหรือฝึกฝนแต่ผิดผิ ด, ผดนะและการที่ใจมันทำยี่ได้ก็เพราะเราไม่ไม่ดูแลรักษามันให้ดนะีรักษาศีลไา่รักษาใจมันก็เกิดความทุกข์ได้นะทำดีแล้วทำไมไม่มีคนเห็นความดีของฉัน หรือว่าทำดีก็รู้สึกหลงตัวว่าฉันเป็นคนดีไปดูถูกคนอื่นว่าไม่มีศีลเหมือนตัวคอยตำหนิคอยว่าเขาพูดคนก็นเลยละอาไม่อยากอยู่ใกล้คนเคร่งศีลนี่บางคนนี่รัศมีมาคูดนี่มันแทบไปรอดตัว ใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้พอคนไม่อยากเข้าใกล้ก็รู้สึกว่าทำไมคนไม่สนใจฉันทำไมคนไม่พูดดีกับฉันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกอันนี้ก็เพราะตัวเองทําตัวเองหรือว่าเป็นเพราะใจที่มันวางไว้ไม่ถูกต้อง ถ้าท่านนี้มันก็เริ่ม้นจากการที่ไม่รู้สึกตัวไม่มีสติถ้ารักษาใจดีเนี่ยการที่รักษารที่ใจมันจะรักษาได้ดีมันก็ต้องมีสตินะมันเป็นหน้าที่งสติโดยตรงเลยทำหน้าที่รักษาใจพระเจ้เปรียบว่าสติเหมือนกับทหารยามที่เฝ้าประตูเมืองทหารยามที่ดีมันก็จะรักษา เมืองเอาไว้ไม่ให้ศัตรูเข้าเข้ามาในเมืองได้แต่ถ้าปล่อยให้โจรก็ดีผู้ร้ายก็ดีสายลับก็ดีอรีต่าชั่วศตรูก็ดีเข้ามาในเมืองก็เมืองนั้นก็วุ่นวายอาจจะถึงขั้นชิบหายเสียเ ม, มืองเลยก็ได้ใจที่ไม่มีสตคิคือใจที่ปล่อยให้ขีแเหร่เข้ามาครอบงํา ปล่อยให้ความกวดความโลภความหลงเข้ามาเล่น ง, งานติดใจใจที่ ม, มีสติปีตใจที่มันคิดซ้ำคิดซ่าแต่เรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วหรือไม่ก็กังวลกับอนาคตอย่างที่เราสวว่วนเนี่ยบุคคลไม่ควรตางพิถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงโผถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าไม่รักษาใจตัวเองหรือไม่มีสติรักษาใจนี่เป็นนี้แหละ แ่ตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรหรือด้วยความแค้นด้วยความเศร้าแล้วก็พะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าคนเราทารักษาตัวอารักตัวนี่มันต้องรักษาใจก่อนนะรักษาใจด้วยการมีสติทำให้มีความสุขตัว หรือว่าพยายามที่ฝึกฝนจิตใจอยู่เสมออย่างที่เราสวดกันบ่อยๆะฉะนันบุคคลเมื่อรักตนย่อมแสธรรมเบื้องสูงย่อมหาย่อมเอาธรรมะนะก็ามาใส่จิตใส่ใ จ, ใจ ก็ามันทำให้ใจมันมีธรรมะไม่ว่าจะเป็นวิยะขันติสมาธิปัญญาการรักตนไมเราต้องทำตามใจตนเพราะว่าการทำเช่นนั้นเันการเป็นการตามใจกิเลสกิเลสน่าจะได้แก่ความโกรธความโลภความเกลียดก็ได้ ทุกวันนี้เราลักตน้นเงินลักตัวเงนผิดพลาดมากกลาเป็นการทําร้ายตัวเองก็เหมือนกับแม่ที่รักลูกนะแต่พอรักลูกผิดมันก็กลายเป็นการทําร้ายลูกเป็นการฆ่าลูกขัง อ, อ้อการลักต้นที่แท้คือการที่จะ ฟูงฟักประคับปร ะ, ะคองความรู้สึกตัวเอาไว้หรือว่ามันรักษาจิตรักษาใจมันสะดับฟังในในสิ่งที่เป็นธรรมะแล้วก็พยายามให้กายวาจาใจมันมันเป็นธรรมเป็นธรรมะ และเมื่อรักตนอย่างแท้จริงเนี่ยนะมันก็ทำให้ชีวิตมีความเจริญติดแจ่จก็มีความสุขคนที่รักตนก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งพ้นจากภาวะที่เป็นคนผ่านปัญญาสาม ถ้ายังไม่พัฒนาตนก็ยังจมอยู่ในภาวะเดิมเป็นคนผ่านปัญญาสามเสร็จแล้วก็ทำร้ายตัวเองทำกับตัวมันกับศัตรูเพราะเนี่ยพุทธภาสิสั้นๆเนี่ยนะให้เราลองพิจารณาแล้วก็เอามาเตือนใจอยู่เสมอชาในี้้นที่ น, นี้นะกรับครับ